อธิบายกรรมที่พร้อมเพรียงกันทำภิกษุทั้งหลายก็กรรมที่พร้อมเพรียงกันอะไรบ้างคือภิกษุทั้งหลายในยติทุติยกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกำหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะก็ได้นำมาแล้วภิกษุ ที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็ไม่คัดค้านชื่อว่ากรรมที่ทําพร้อมเปรียงกันภิกษุทั้งหลายในยติจะตุตะกรรมถ้าภิกษุผู้เข้ากรรมกําหนดจํานวนไว้เท่าใดภิกษุเหล่านั้นมาฉันทะของภิกษุผู้ควรแก่ฉันทะได้นำมาแล้วภิกษุที่อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก็ไม่คัดค้าน ชื่อว่ากรรมที่พร้อมเพียงกันภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมที่พร้อมเพียงกัน